ลืมเจตนาของพระที่มีในธรรมมันตรงไหนนะ่ะอยากถามไรงั้นนะไม่มองดหัวใจยเลยมันอะไรเป็นศาสน า, าที่มันสำคัญต่างองต่างมาศึกษาอบรมด้วยความมุ่งหวังต่ออัดต่อธรรม ในเลงกิ่อัดรมคือเหตุผลประจำใจและการแสดงออกอยู่ตลอดเวลาเพราะงานใดๆในโลกนี้ไม่ได้เป็นงานที่หนักและเป็นงานที่ละเอียดละออมากยิ่งกว่างานชำระกิจใจ งานนี้หนักมากหนักอยู่โดยสม่ำเสมอและใช้ความละเอียดละออโดยการพินิพิจารณาไม่ได้เหมือนงานอื่นๆดังที่โลกเขาทำกันแม้พระเราทำงานอื่นๆก็เช่นเดียวกับโลกเขาทำกัน ผิดกันอยู่บ้างก็คืองานของพระซึ่งเคยใช้ความพินิษ์พิจารณามีสติเป็นเครื่องกากับอยู่แล้วเท่านั้นแต่พอย้อนเข้ามาสู่พิตฐะภาวนานี่โดยเฉพาะแล้วจะเป็นงานที่ละเอียดแลออมากที่สุด การศึกษาเรเรียนเพราะว่ายากแต่เพียงเป็นความจดจําแต่ความจดจําถ้าจิตจดจอ่อก็จําได้ง่ายถ้าจิตไม่จดจอก็ไม่รู้เรื่องอีกเช่นเดียวกันยิ่งงานจิตตภาวนาด้วยแล้วยิ่งใช้ความละเอียดละออมมากขึ่งกว่านั้นอีกมากมาย ด้วยเหตุ น, นี้อุบายวิธีการต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ในการประกอบความภาคเพียรจึงมีมากเึ่นสถานที่ก็เป็นอุบายอันหนึ่งปัจจัยทั้งสี่แต่และอย่างละอย่างรวนแล้วแต่ทรงสอนไว้อย่างละเลอียดละอ่ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่พระจะปฏิบัติให้เหมาะสมตามพระาว่าที่สูงสั่งสอนนั้นถ้าได้คาดเคลื่อนไปก็ชื่อว่าคาเคลื่อนจากความถูกต้องดีงามการภาวนาก็ไม่สะดวก ผู้มาศึกษาใช้ความสังเกตให้มากอย่ามาอยู่เฉยๆอยู่จนชินชินแล้วก็เป็นเรื่องอะธรรมไปเสียเรื่องคำว่าธรรมเลยไม่มีในใจนี่สำคัญตรงนีง้ที่การภาวนาไม่ไปถึงไหนได้ การเดินจมกรมเดินให้ถึงเหตุถึงผลอย่างไรบ้างหรือไม่นี่เวลาเดินไปมากๆ ม, มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจิตเป็นอย่างไรนั่งนานนานเกิดทุกขเวทนาขึ้นมามากน้อย จนถึงขั้นจะทนไม่ไหวอิตเป็นอย่างไรนี่มันต้องได้เป็นอุบายได้อุบายจากิริยาบุทนั้นๆอยู่โดยดีถ้าเราภาวนาจริงๆกดอาหารก็เป็นเครื่องบรรเทาธาตุขันที่มีกำลังมากคอย คือแต่คอยแต่จะทับจิตใจให้อ่อนตัวลงไปีิเลสก้าวได้ง่ายคล่องตัวขึ้นโดยลำดับถ้าฉันให้อิ่มให้เต็มท่าเต็มขันเต็มตามความต้องการแล้วยังไงก็ไปไม่รอดเมื่ออยู่ในวัยที่ทาดขันมันดีดมันดิ่นอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นจึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาใช้ความระมัดระวัง ในการขบการฉันการหลับนอนก็เหมือนกันถ้านอนมากเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นเครื่องเสริมอีกเสริมก็มีแต่เรื่องเสริมกิเลสทั้ทงนั้นและไม่ใช่เสริมอัดเสริมทำการเสริมทำต้องเป็นเครื่องฟืนความพอใจความชอบใจอยู่ทุกระยะเพราะทำกับกิเลสมันต่อสู้กันเป็นอย่างนั้นการนอน จะนอนให้เต็มหูเต็มตาตามความต้องการก็ไม่ได้นอนพอพักผ่อนร่างกายเพื่อสืบต่อความภาคเพียรต่อไปเท่านั้นไม่แค่นอนเพื่อเอาความสุความสบายจริงๆเหมือนโลกเขานอนกันท่านจึงมีการกำหนดเอาไว้ว่าระยะนั้นนอนระยะนั้น พักผ่อนระยะนั่นเดินจงกรมระยะนั่นนั่งสมาธิภาวนาตามหลักอปปนกะปฏิปทาที่เคยแสดงให้ฟังแล้วนั้นมีบทมีบาทมีเครื่องบังคับให้พอเหมาะพอดีที่ทำจะเกิดที่จะเป็นการเสริมอัดเสริมทำให้มีกําลังมากขึ้นทำจึงจะเรินได้ถ้าจะปล่อยให้เป็นไปตามใจแล้วไม่มีวัน ที่ทำจะเจริญในใจแม้ความสงบก็หาความสงบไม่ได้จะอยู่ในวัยใดก็ไม่สำคัญเพราะกิเลสไม่มีวัยกิเลศคือกิเลสตัวคือขนองอยู่ภายในใจนั่นแหละจึงต้องได้ใช้ความปิณิพิจานาพระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญอยู่ในป่าตั้งแต่วันเสด็จออกทรงผนวชนั่น เวลาที่สมุกส ม, ส ม, กสมบัติจริงๆก็หกปีการต่อสู้กับกิเลสไม่มีใครที่จะรับความทุกข์ความลำบากเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงฝุดธรรมานพระองค์ในเวลาบำเพ็ญ น, นั้นตามตำรับตำลาเราก็เห็นด้วยกันอ่านแล้วเกิดความสลดสังเวชน้ำตาร่วง เราเป็นอย่างนั้นสงสารพระองค์ยิ่งต้องอดพระกาหารนี่ด้วยแล้วแหมใครทำได้อย่างนั้นยิ่ดูยิรุนแรงไหมมันเพราะพระองค์เห็นว่าท่านี้วิธีนี้เป็นวิธีที่ต่อสู้กับกิเลสโดยถูกต้องจึงได้ทรงทุ่มเทพระสติ ก, กำลังความสามารถตลอดถึงชีวิต เ, เนื้อเนื้อก็สละลงไปในเวลานั้นถึง49วันนะเห็นว่าไม่ใช่ทางแล้วจินแยกจากนั้นออกพลิกเปลี่ยนเป็นทางใหม่ถ้าพูดถึงเรื่องความรุนแรงในการต่อสู้ในท่าต่อสู้ใครจะรุนแรงยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าถ้าพูดถึงขั้นเด็ดใครจะเด็ดกว่าพระพุทธเจ้า อุทึงขั้นเพียนใครจะเพียนยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าความอดทนใครจะอดทนเกินพระพุทธเจ้าความทุกข์ทรมานทั้งหลายที่รวมตัวเข้ามาเพราะความเพียนนั้นใครจะเกินพระพุทธเจ้ารวมแล้วมีตั้งแต่มหันตทุกข์ทั้งนั้นด้วยการต่อสู้ที่ไม่สูงท้อถอยนวละจนกว่าจะเห็นดําเห็นแดงกันจริงๆ และจริงทรงเปลี่ยนวิธีใหม่นั่นดูสิไปยังไงวิธีการของท่านดำเนินเราถึงท่านจะดำเนินยังไม่ถูกทางก็าตามแต่พระอาการทุกอย่างที่ทรงตั้งพระไทยไมย้อัดไม้ทมคือแดนแห่งความเปิดสู่นั้น ทรงเอาพระชีวิตชีวาเข้าแรกจริงๆหนักหรือไม่หนักก็อย่างที่เราได้อ่านได้เห็นนั่นแล้วนั่นหละดูเอาทตนี่ถ้าเมื่อหมุนมาอีกวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีที่ถูกต้องคือทรงเจริญพระนาปานสาตินี่ก็ทรงตั้งสติญาติฐานลงเลยว่าถ้าไม่ได้ สาสตรุธรู้แล้วยังไงก็ต้องที่นั่งกับที่ตายเป็นที่เดียวกันไม่ยอมลุกเลยนี่เด็ดไหมฟังสิเล่าผู้ปฏิบัติธรรมต้องเอามากรองมาพินิจพิจารณาริงมทํราธรรมเหล่านี้มีแต่เป็นคติธรรมทั้งนั้นที่ศาสดาสอนไว้พาดํำเนินด้วยแนวตั้งแต่เป็นลวดลาค้องศาสดาที่สอนโลกให้ได้ถือเป็นคติตัวอย่าง เป็นอย่างดีทั้งนั้นเพราะความอดแอมไม่เคยทําผู้ใดให้สมมักสมหมายสมความมุ่ง ม, มา่ปราฐานานอกจากความเข้มแข็งความอุตสาห์พยายามอดทนดังที่ท่านแสดงมาแล้วท่านทรงดำเนินมาแล้วนั้นเท่านั้นนี่เราก็ได้นับพระองค์วาดทุกแง่ทุกมุมแล้วจากพระองค์ หากจะทุ่มเทกำลังของเราลงเพื่อความเพียรที่ได้รับจากท่านมาแล้วก็ไม่ได้เป็นการเสียงทายไม่เป็นการผิดหวังเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินมาก่อนเราดูพระอาการที่แสดงทุก แง่ทุกมุมแห่งความเพียรมีตั้งแต่แบบอัศจรรย์แบบใครทำตามไม่ได้ทั้งนั้นนี่ละเรื่องของศาสดาสละเพื่อลวกเพื่อสงสาราเฉพาะอย่างยิ่งสละเพื่อพระองค์ถึงความเป็นศาสดาทรงสละอย่างนี้เอาถึงเป็นถึงตายถึงขนาดที่ว่านั่งแล้วไม่ลุก ที่นั่งกับที่ตายนี่เป็นที่เดียวกันถ้าไม่ตรัสรู้ทำเสอย่างเดียวเท่านั้นเด็ดไหมเราพิจารณาสิอย่างนี้แหละท่านผู้เป็นศาสดาคติตัวอย่างจึงไม่มีใครเกินศาสดาที่เราทั้งหลายจะนำมาเป็นเครื่องสอนใจเราแม้ไม่ได้แบบครูทุกกระเบียดก็ตามก็ยังอยู่ในแวบดบวงแห่งความเป็นสิทธิ์ที่มีครู แล้วเรายังจะมีหวังต่ออัตธรรมทั้งหลายที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องแล้วนั้นไม่ได้เสี่ยงไม่ได้เป็นการทดลองเพราะเป็นความถูกต้องหมดแล้วนั่นแหละศาสดา พ, พาดาเนินท่านดำเนินอย่างนั้นเราจะหาใครเสมอเหมือนไม่มีเรื่องความภาคเพียนทุกแง่ทุกมุม ให้เมื่อผลปรากฏขึ้นมาก็ไม่มีใครเสมอเหมือนไม่มีใครเป็นคู่แข่งได้อีกเหมือนกันทรงรู้ทรงเห็นขึ้นมาด้วยสยามผูกคือรู้เองเห็นเองเพราะการค้นคว้าดโดยพระองค์เองจนได้ทำประเภทที่เหนือโลกเหนือสงสารเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง มาครองพระไทยแล้วนำธรรมเหล่านี้ออกสั่งสอนโลกให้ได้หูแจ้งตาสว่างพ้นจากนรกหมกไม่แห่งความเกิดแก่เกิบตายไม่หยุดไม่ถอยนี้ไปได้มากมายก่ยกอนทาใดที่จะเสมอเหมือนธรรมพระพุทธเจ้านี้ไม่มี เครื่องตายใจใดจะเสมอเหมือนกับเครื่องตายใจคือธรรมของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีนี่ฝากเป็นฝากตายได้อย่างแท้จริงเพราะไม่มีคำว่าผิดเป็นความที่ถูกต้องล้วนนผู้ปฏิบัติจึิงควรภูมิใจตัวเองที่ได้เกิดมาพกพระพุทธศาสนาและได้บวชมาเป็นนักปฏิบัติอย่างเราเราท่านทำในลานนี้ จึงไม่ควรนอนใจสิ่งทั้งหลายที่เราเคยจำเกมาแล้วมากมายนั้นมีด้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสความต่ําสามทั้งนั้นนั่นจะเอาของดิบของดีของวิเศษวิสโสอะไรมาให้เราได้ครองพอเป็นความภาคภูมิใจเหมือนอัดเหมือนทำเราอเช่นความที่เกียจขี่ครลานความท้อแท้อ่อนแอเหล่านี้เป็นต้น นวนแลตั้งแต่เป็นสายทางของเด็กพาเดินหรือฉุดลากพวกเรามานานแสนนานแล้วการเกิดตายในวัตจักรวัตสงสารอันนี้ก็ไม่มีใครที่จะเกินเราเราท่านท่านซึ่งเป็นมากเกิดจากเจ็บตายในขณะเดียวกันก็คือแบกทุกหามทุกไปด้วยทุกพบทุกทาบมากน้อยตามกำลังแห่งบาปและบุญของตนที่ได้สร้างมานี่ก็ไม่มีใคร ไกลเกินเราเราท่านท่าท่านจึงไม่ให้ประให้ประมาทซึ่งกันนะเพราะเป็นนักด้วยกันถ้าพูดถึงเรื่องทุกข์ก็นักเป็นนักมหันตทุกมาแล้วตั้งแต่ขั้นมหันต์ตทุกหากว่าจิตนี้เป็นสิ่งที่คิบหายล่มจมไปได้จะไม่มีจิตดวงใดในโลกแดนโลกธาตุนี้เหลืออยู่แม้ดวงเดียวเลยว่าไม่ได้ถูก มีมหันตทุก์เป็นยําขันได้เข้าย่ำยีตีแตกกระจัดกระจายไปแต่นี้ก็เพราะจิตเป็นของไม่ตายถึงจะทุกข์ขนาดไหนถึงขั้นมหันต์ตุกก็ยอมรับว่าได้รับมหันต์ตุกข์แต่ไม่ยอมชิบหายไม่ไม่ยอมตายไปเมื่อถึงวาระที่ควรจะผ่านพ้นก็ผ่านพ้นไปได้ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เป็นของเที่ยงทุกขนาดไหนก็มีวาระที่จะผ่านพ้นไปได้เกิดในภพใดชาติ ใ, นในดไม่ว่าสูงต่ำสุขทุกประการใดมีเวลาผ่านพ้นไปได้ตามการของมันเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจังทั้งสามแดนโลกาธาตุนี้ไม่มีโลกใดแดนใด ที่จะเลยขอบเขตแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเพราะฉะนั้นจิตที่ตกอยู่ในถ้ำกลางแห่งพบทั้งสามหรือแห่งใช่แล้วพบทั้งสามนี่จึงไม่มีผู้ใดหรือจิตดวงไหนที่จะไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ ทุกเกิดแล้วก็ต้องดับสุกเกิดแล้วก็ต้องมีดับเหมือนกันถ้าไม่หนุนให้เป็นไปจนกระทั่งถึงความเพียงพอแล้วแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ทิงเหล่านี้ไม่มีใครที่จะอวดใครได้ว่าใครมากใครน้อยกว่ากันเพราะมันมากจนกระทั่งถึงสุดวิสัยที่จะนับเพื่อนต้นเงื่อนปลายแห่งพบแห่งชาติชาจิตดวงเดียว น, นี้ หากไม่มีธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์มาโปรดปรานแล้วก็เหมือน ก, นกันกับคนไข้ทั้งหนักทั้งเบาไม่มีหมอไม่มียาเป็นเครื่องรักษาเลยยุ่งกันอยู่แต่กับของแสลงที่จะทำให้โรคกาเริบเพื่อความตายนั่นเท่านั้น นี่แหละพูดถึงเรื่องแนวทางมิสายทางของเกณฑ์ที่หยิบยื่นให้พวกเราในภพชาติหนึ่งๆ น, นั้นมีเพียงเท่านี้เองไม่มีอะไรเลือดยิ่งกว่านี้มีเกิดมีตายช้าบ้างเร็วบ้างก็ไม่พ้นคําว่าอันนี้จังทุกขังนาตาเข้าแทกเข้าแทกอยู่ทุกระยะมีเท่านี้ผู้ที่จะลื้อฟื้นเลืบ ธรรมชาติที่จะถอดถอนเราให้หลุดพ้นจากนี้ได้ก็มีแต่ธรรมเท่านั้นนอกจากธรรมแล้วไม่มีธรรมก็คือธรรมของศาสด า, า, าองค์เอกที่ทรงผ่านมาแล้วทุกแง่ทุกมุมนำมาสอนโลกหึงได้รือร้อ้นสัตว์โลกให้หลุดพ้นไปตามลำดับเป็นลำดับลาดา มากต่อมากนับไม่ขณน า, นาไม่ท่วนเหมือนกันบรรดาจิตวิญญาณที่ผ่านพ้นจากแดนแห่งสมมตินี้ไปถึงความบุพ้นโดยสิ้นเชิงไม่ต้องบกยียนมาอีกเรียกว่าตับขาดแล้วจากความที่เคยเป็นมาคือเกิดแจ็เจ็บตายซึ่งหามทุกนี้โดยสิ้นเชิงอีกเช่นเดียวกันไม่มีอะไรหลือจากการบาเพ็ญธรรม ตามศาสดาหรือตามศาสนาธรรมของศาสดาองค์นั้นๆเนะนําสั่งสอนไว้เนี่ยแล้วพวกเรายัางจะชินต่อสิ่งเหล่านี้อยู่อีกก็เท่ากับเรามีความชินต่อการเกิดตายต่อความทุกข์ความลําบากไม่มีวันจบสิ้นลงได้นั่นแหละจะเป็นอะไรที่ไหนไปสิ่งเหล่านี้ปราดทั้งหลายท่านเข็ดหลาบกันมาแล้วทั้งนั้น ท่านเห็นมาเป็นโทษเป็นภัยอย่างถึงใจถึงพระไทยมาแล้วทั้งนั้นนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนมาทั้งถึงพระสาวกอรหัตทหารทุกๆองค์ของพระศัสดาแต่ละพระองค์ซึ่งมีสาวกจำนวนมากมายท่านตำหนิเป็นเสียงเดียวคันหมดไม่มีพระพุทธเจ้าและพระสาวกองใดที่จะขัดแยง้ง ในความเท็ดหดลาบแห่งทุกทั้งหลายที่เคยผ่านมามีไม่มีเพราะโทษก็เห็นประจักใจนั่นแล้วปลอยจากโทษประจักษ์ใจก็เห็นอนันตคุณเต็มหัวใจนั่นแล้วทำไมจะไม่เทียบเคียงกันได้ในขณะนั้น อย่างมหันตาทุกเพราะอิตที่ถูกกิเลสบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันถึงขณะที่ได้สลัดปรับกิเลอันเป็นเชื้อแห่งทุกเป็นสายเหตืแห่งทุกออกหมดแล้วแล้วหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงนั้นนั้นอยู่ในจิต ด, ดวงเดียวกันท่านทำไมจะไม่สร้าบปิด คำว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเข็ดในทุกทั้งหลายนั้นท่านไม่ได้เข็ดเหมือนคนมีจิตเดทั่วๆไปเข็ดกันซึ่งมีเพียงชั่วขณะแล้วก็ถูกกล่อมให้ล่มจมลงไปอีกโดยไม่รู้สึกตัวเลยนี่แหละทาที่วัตะวนของอีกไม่มีที่สิสุดได้เพราะเหตุนี้เอง ลงได้เห็นทุกให้ถึงใจแล้วเรื่องความภาคเพียรทุกด้านที่จะเป็นไปเพื่ออาจเพื่อทมในการสังหารกิเลสจะนหนักมือเข้าไปโดยลำดับกาดาจนกระทั่งถึงสลับออกได้โดยสิ้นเชิงนั่นแหละที่กล่าวว่าการเกิดตายมามากมาน้อยเพียงไหล เราเองเป็นนักเกิดตายด้วยกันนั้นธรรมดาเราที่เป็นอยู่เวลานี้ในจิตเนี่ยจะไม่มีทางทราบได้เลยในคำพูดเหล่านี้ถ้าไม่ได้ปฏิบัติจิตต่อจิตใจซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวหรือนักเกิดแก่เจ็บตายนี้ให้ตลอดทั่วถึงแล้วจะไม่มีทางทราบได้เพราะผู้นี้เป็นผู้ พับพับเป็นผู้เป็นผู้ไปเนื่องจากเชื้อคืออวิชาปฏิยาฝังนึกฝังจมอยู่ภายในนั้นนั่นแหละตัวพาให้เกิดให้ตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยคือตัวนั้นการเกิดสูงสูงต่ำๆ่ำลุ่มลุ่มดอนนั่นเป็นเพราะวิบากแห่งกรรมดีและชั่วซึ่งแทรกไปตามกันกันกบเชื้ออันนั้น สัตว์โลกทีมีความสุขบ้างทุกบ้างไม่สม่ำเสมอกันเมื่อการปฏิบัติจิตภาวนาเข้าไปโดยลำดับเริ่มแต่เพียงขั้นสงบเท e ่านั้นเราก็เห็นคุณค่าแห่งความสงบและเห็นโทษแห่งความพุ้งสร้างของใจในขนาดเดียวกันเริ่มไปโดยลำดับลำนาตั้งแต่สมาธิ เมื่อเก้าถึงขั้นเข้าขั้นปัญญาปัญญาเป็นเครื่องตัดปัญญาเป็นเครื่องตัดรองพิิพิจารณาเหผลต้นปลายที่มีอยู่ภายในจิตทั้งการแสดงออกและแสดงออกมาจากที่ไหนเป็นลําดับลําดาแล้วสลับตัดออกได้เป็นขั้นเป็นตอนนับแต่วงกว้างเข้าสู่วงแคบ คือวงกว้างกับไมท้ทั่วๆไปรูปเขียงปินลดเครื่องสัมผัสต่างๆทั่วแดนโลกธาะนี่สลับออกไปได้โยนเข้ามาภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญาณมีตัดเข้ามานี่ละเครื่องพิสูจน์ความเกิดตายของจิตเราพิสูจน์กันด้วยการปฏิบัติอย่างนี้เมื่อตัดเข้ามา เข้าสู่วงแคบก็ย่อมเห็นได้ชัดว่าจิตนี้เข้าสู่วงแคบแล้วแล้วมีทางที่จะหลุดพ้นลึที่จะตัดขาดได้โดยไม่ต้องสงสัยจิตก็ยิ่งมีความหนักต่อความภาคเพียรโดยไม่มีอะไรมาบังคับหรือไม่มีมีการกดขี่บังคับกันแต่อย่างใดหากเป็นความพอพอใจเรื่องความอุตสาหพยายามทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นมาเอง เข้าสู่จุดแห่งความต้องการความดุจพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเป็นสำคัญแล้วก็พิจารณาเข้าไปตรงไหนตรงไหนขึ้นชื่อว่ากิเลสกับธรรมได้แก่สติปัญญาธรรมแล้วจะไม่เจอกันไม่มีนอกจากเราไม่มีสติไม่มีปัญญาพอกับสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจนั่นเท่านั้นแม้จะมีอยู่มากอย่างไรก็ไม่เห็นไม่เจอ เมื่อสติปัญญามีพอที่จะรู้จะเห็นพอที่จะตัดกันให้ขาดตรงไปเป็นรักเป็นตอนแล้วต้องรู้ต้องเห็นต้องตัดขาดไปเป็นรักเป็นตอนจนกระทั่งถึงถอนออกหมดทั้งหน้าคแก้วเขามันคืออวิชชาขาดสะบั้นไปจากใจเหลือแต่ใจล้วนล้วนท่านเรียกว่าใจบริสุทธิ์ที่นี่มองดูที่นี่นะเรามองดูแต่ก่อนมันยั่วยเยี่ยงไปหมด ไม่ทราบอะไรเป็นจิตไม่ทราบอะไรเป็นอารมณ์มันเป็นอันเดียวกันหมดแล้วจางไปจางไปแคบเข้ามาแคบเข้ามาจนกระทั่งถึงตัดขาดจากกันไม่มีสิ่งใดเข้ามาเป็นเงื่อนติดเงื่อนต่อก่อขแขนงเลยเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วนั่นแหละการดูพบดูชาติของตัวเองและการหมดพบหมดชาติของตัวเองจะประจักษ์ในขณะ เดียวกันกับจิตที่หลุดพ้นจากเชื่อทั้ ง, งอันสำคัญและกิเลสทั้งหลายรู้ที่ใจเห็นที่ใจประจักษ์ที่ใจโดยไม่ต้องสงสัยแม้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ตรงหน้าก็ตามเถอะเราก็เป็นลูกจิตธถาคตพร้อมที่จะสดับตับฟังกับท่านอยู่แล้วทุกแน่ทุกมุนแต่พอถึงขั้น พอตัวเต็มที่แล้วคําว่าสันทิติโกยิ่ยงเป็นเครื่องประกาศยืนยันอย่างก็จักเช่นเดียวกับองศาสดาบอกว่านิแลนั่นเองเพราะคําว่าสันทิฏิโกก็คือองศาสดาเป็นผู้แจกไว้นีิแลคือความพ้นทุกข์เป็นอย่างนี้นี่แหละการพิสูจน์เรื่องพบรืงชาติท่านพิสูจน์ด้วยจิดะภาวนาทางด้านจิตใจ จึงมีทำเท่านั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นเครื่องตัดขาดใจขาดจากพบจากชาติการท่องเที่ยวมามากน้อยเพียงไรได้ด้วยการภาวนานี้เป็นสําคัญเพราะฉะนั้นการภาวนาจริงเป็นงานสําคัญมากที่จะตัดวัฏฏะให้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาประจักษ์ใจ โดยไม่ต้องไปคิดไปคาดว่ากี่พบกี่ชาติเราถึงจะหลุดพ้นจากทุกข์จากภัยจากความเกิดแก่เกิดตายไม่ต้องไปคาดเพราะสิ่งเหล่านี้บอกหรือประกาศตนเองอยู่ในใจนี่แล้วทุกระยะมีมากมีน้อยเพียงไรประกาศเหมือนกับว่าประกาศตนให้ทราบอยู่ทุกระยะระยะชาติปัญญามีมากมีน้อยเพียงไรกรทุ่มกันลงไปเอง พอถึงขั้นนี้แล้วสติปัญญาก็จะเป็นตัวของตัวขึ้นมาโดยไม่ต้องไปศึกษาเรื่เรียนจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยหากเป็นหลักธรรมชาติของสติปัญญาขั้นนี้ที่จะสังหารขี้เล็ขั้นส่วนละเอียดให้ขาดสะบันลงไปโดยไม่มีอันใดามาเป็นเครื่องส่งเสริมมีเฉพาะสติปัญญานี่เท่านั้นเป็นอาวุธอันสำคำัญ ที่จะตัดขาดจากวิเนศอาชวะทั้งมวลซึ่งพาให้เกิดตายเกิดตายอยู่มาอยู่ไม่ถอยแล้วทําไมจะรู้ไม่ได้ล่ะว่าเวลานี้จิตหลุดพ้นแล้วจากสมมุติทั้งหลายเพราะสมมุติก็อยู่ที่จิตยาบก็ปรากฏอยู่ที่จิตและเอียดก็อยู่ที่จิตและเอียดสุดก็อยู่ที่จิตสมมุติสิ้นไปจากจิตก็รู้อยู่ที่จิต ด้วยปัญญาย่างอันละเอียดแหลมแขงมาก น, นั่นแหละคือการตัดพบตัดขาดถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะหมดภาระโดยประการทั้งปวงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยพูดไปถึงเรื่องอดีตคิดคิดไปเรื่องอดีตก็มีแต่ความสลดสังเวชในความรุ่งหลงของตนเองถ้าจะคิดไปเรื่องอนาคตก็ตัดขาดแล้ว ด้วยปัจจุบันธรรมเวลานี้ในปัจจุบันธรรมก็รู้เท่าทันหมดแล้วหาที่ติดที่พันกันไม่ได้ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันขาดไปจากกิจหมดโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นคือความสิ้นทุกสิ้นที่ตรงนั้นเพราะอิเลสธรรมชาติที่ก่อทุกได้สิ้นไปแล้วด้วยอำนาจของมครคมีสติปัญญาเป็นสาคัญ นี่แหละทางเดินที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้เฉพาะพระองค์ปัจจุบันนี้ 2,500 กว่าปีนี้แล้วไม่มีเคลื่อนข้าดจากหลักความจริงถูกต้องโดยสม่ำเสมอตั้งแต่พื้นพื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นไม่มีธรรมบทใดขาดเคลื่อนผู้ปฏิบัติถ้าลงได้ดำเนินตามนี้แล้วมีหวังที่จะได้หลุดพ้นแม้จะเกิด เคยเกิดมากี่พบกี่ชาติจนนับไม่ได้ดังที่กล่าวนี้ก็าตามเถอะเมื่อเชื้อมันขาดสะบั้นลงจากใจแล้วมันจะเอาอะไรไปเกิดอีกอีกไม่มีแล้วนั่นเท่านี้แหละเป็นเครื่องตัดสินกันไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องตัดสินสิ่งภายนอกหาประมาณไม่ได้นอกจากเครื่องหลอกลวงเราสาคัญอย่างนั่นคาดคะเนอย่างนี้ว่ากันไปแต่ถ้าลงจิตกับธรรมได้เข้าถึงกัน อย่างเต็มที่แล้วบอกประกาศขึ้นภายในตัวเองนี่แม้จะไม่เคยรู้ก็ เ, เห็นก็าตามเช่นพระพุทธเจ้าท่านเคยเป็นพริพุเจ้ามาเมื่อไหร่พระสาวกอาราหารัตหันตะก่อนท่านเคยบริสุทธิ์มาเมื่อไหร่พอถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วสามทิ่เรโกรก็ประกาศกังวานขึ้นภายในจิตใจด้วยกันทั้งนั้นหายสงสัยไปหมดท่านเหล่านี้แลยคือท่านผู้พ้นทุกอย่างแท้จริงไม่ต้องกลับมาวกเย็ยนเกิดตาเกิดตา หามทุกหามความลาบา ก, กย่านเยินเสินใจดังที่เคยเป็นมาอีกเนี่ยตัดสินกันลงที่ตรงนี้ฉะนั้นเรื่องศาสนธรรมจึงเป็นธรรมสำคัญมากทีเดียวและการปฏิบัติบําเพ็ญธรรมจึงเป็นของสําคัญมากเช่นเดียวกันถ้าไม่มีธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องชักจูงเป็นเครื่องพยุงแล้วเรื่องพบเรื่องชาติจะหาความหมายไม่ได้จะ จะไม่มีเลยเรื่องความหวังว่าจะหลุดพ้นจากทุกข์เมื่อไใดถ้าทําไม่ช่วยความดีไม่ช่วยจะให้กิเลสมันช่วยให้หลุดพ้นนั้นไม่มีทางนอกจากช่วยให้เกิดให้ตายให้ห ร, รับความทุกข์ความลําบากด้วยมาเหมือนกันกันกบเหยื่อล่อปลาที่เบ็ดมันเท่านั้นเละมีความสุขเพียงเล็กน้อยแต่มีความทุกข์ถึงมหาหันตาทุกได้เนี่ยเครื่องล่อของมันเป็นอย่างนั้น ลอกไว้ล่อไว้หลอก ไ, ไว้ล่อไว้ต้มตุ๋นกันอ ย, อย่างนั้นตลอดเวลามีใครธรรมชาติอันใดที่จะหลอกจะล่อจะต้มจะตุ๋นอย่างละเอียดแหลมคมจมไปเลยเหมือนกิเลสนี้ไม่มีอเมื่อทำได้เข้าถึงกันแล้วจะทราบไปตลอดทั่วถึงหมดไม่ว่าจะเป็นอุบาใดาของกิเลสเพราะฉะนั้นจริงเกี่ยกวกัโลกุตตรธรรมธรรมเหนือโลกเหนืออย่างนั้นเองคือธรรม หรือเนื้อกิเลสนั่นแหละจะเป็นเนื้ออะไรบิมุติธรรมเนือสมุติธรรมสมมติโลกทําใจเหนือทําเหนือหมดแล้วทําอยู่ที่ใจนั่นแหละที่ท่านมาหมดปัญหาเรื่องเกิดเรื่องตายที่เคยเป็นมาจะมากจะน้อยเพียงไรไม่มีปัญหาแล้วขาดจะบั้นท้งหมดนัตติดานิปุณัพโว ความเป็นอีกคือความเคยเกิดเคยตายนั้นน่ะอีกน่ะไม่มีหมดเท่านั้นอันนี้ว่านัตติดานิปุนาภูว์ตามที่ท่านแสดงไว้ในธรรมจักกับโพธนสุรท่านแสดงไว้อย่างนั้นนี่คือท่านผู้รู้ท่านผู้เห็นประจักษ์มาแล้วแสดงไว้คือพระพุทธเจ้าของเราท่านั้นก็เป็นพระสาวกอรหัตรหันท่านรู้ท่านเห็น แล้วก็บอกต่ อ, ตอกันมาถึงพวกเรานี่มีความอุตสาห์พยายามถ้าอยากหลุดพ้นจากทุกมีวันจบขึ้นลงได้ในการแบกหามทุกเพราะความเกิดจากจิตตายเป็นตัวสําคัญแล้วก็ให้พยายามต่อความภาคเปลี่ยนของตนเรื่องของกิเลสนั้นมันมีอยู่หัวใจของทุกดวงนั่นแหละไม่เป็นสิ่งที่น่าสงสัย ว่ามันจะยกเราไปสู่แดนใดที่เป็นแดนบรมมาสุขไม่มีทางนอกจากมหันตทุกข์เท่านั้นเป็นที่สุดของกิเลสพาให้ล่มจมลงไปชวนทมนี้ถึงขั้นบรมมาสุขได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะได้ทาโลกให้พ้นจากทุกมามากต่อมากแล้วพวกเราทั้งหลายที่ได้มาพฤสปฏิบัติจึง พากันพยายามตั้งใจปฏิบัติใจเป็นของสําคัญมากเลยเดียวให้ดูสังเกตใจนี่แหละมากยิ่งกว่าการสังเกตสิ่งอื่นใดทั้งหมดในโลกนี้ใจเป็นตัวเหตุอันสําคัญเพราะมีสิ่งแทรกซึมที่จะให้เกิดความยุ่ยแย่ก่อควนขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้สึกแล้วก็หมุนไปตามมันอยู่ตลอดดังที่เห็นเห็นลู่ๆ ก, กันอยู่นี่แหละภายในใจดวงหนึ่งดวงหนึ่งเป็นอย่างไร ถ้ามันไม่สิน้นสิ่นก่อควรพายน จ, จิตใจเชื้ออันสําคัญนี้เสียเมื่ อ, อไหร่แล้วจิตจะต้องดิ้นอยู่ตลอดไปอย่างนั้นความดิ้นอยู่ตลอดมันเป็นยังไงมันดีไหมอคนเจ็บไข้ามากก็ดิ้นว่าไงทุกมากก็ดิ้นเนี่ยจิตใจเมื่อมันไม่ทุกมันจะดิ้นหาอะไรกวนกว่าจะหาอะไรมีความสงบอย่างรบาบคาบท่านกล่าวไว้แล้วว่า นัตีิสันติปรังสุขขังสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่นก็คือใจนั่นแหละสงบความผุ้งส้านวุ่นวายที่เป็นจนถึงกับเป็นผลมหาันตะทุกขึ้นมาก็คือใจนั่นแหละเป็นตัวสำคัญมันมียาพิษอยู่ภายในนั้นเพราะนั้นจึงให้พยายามกำจัดยาพิษนี้ออก ด้วยการประกอบความภาคเปลี่ยนอยาเห็นสิ่งอื่นใดว่าเป็นของสาระสําคัญยิ่งกว่าการประกอบความภาคเปลี่ยนดูใจของตัวเองสติมีดูมันคิดไปเรื่องอะไรเรื่องที่มันคิดเหล่านั้นเราเคยคิดเคยปรุงมาสะพอแล้วแล้วเคยนําความทุกข์มาบีบบังคับให้เราได้รับความทุกข์ทรมานมาม า, มากต่อมากแล้วทําไมจะไม่เข็ดละ่ะการปฏิบัติธรรม เพื่อความพ้นทุกข์ทำไมจะถือว่าเป็นของลำบากลำบนไปนี่มันก็ถูกคนมายาของกิเลสมันหลอกให้จมอยู่อีกแล้วน่ะจะไม่มีทางพ้นไปได้ทาไมตั้งใจอุตส่าห์พยายามตะเกียบตะกายจะไม่มีวันพ้นไปได้นะเราอยากเข้าใจว่าจิตนี้มีวันมีคืนมีปีมีเดือนมีสิ้นมีสุดโดยไม่ต้องชาระสะสางกันเพราะ ไม่เมื่อไม่มีธรรมเป็นเครื่องชำระมันก็มีกิเลสฝังจมอยู่นั้นแล้วมันจะพาให้โลกนี้สิ้นสุดไปที่ไหนได้เรื่องของกิเลสก็เคยพูดแล้วว่าเหมือนมดแดงไตขอบดงวกไปเย็นมาอยู่อย่างนี้ของเก่าของใหม่เกิดแล้วเผิดเล่าเห็นูกี่มื อ, อกี่แสนกี่ล้านล้านพบก็จําไม่ได้เนเมื่อจําไม่ได้แล้วคนเราก็นอนใจมินาซ้ำ ม, มาตายแล้วศูนย์ไปอีกนั่นเป็นยังไงมันหาเรื่องลม่ลมห ล, ลุ่มงแรงมาหลอกเราก็เชื่อ เพราะเราไม่รู้เราไม่ทันมันมาตายแล้วศูนย์เราเป็นนักเกิดนักตายอยู่ตลอดเวลาเอาอะไรมาศูนย์เนี่ยวิริยนั่นนะมันหลอกอยู่งั้นเมื่อได้นำธรรมเข้าไปจับดูแล้วอะไรมันศูนย์มันก็รู้ได้ชัดเออมันจะศูนย์อะไรอา่ามีแต่กิเลสาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงให้เกิดแก่เจ็บตายอยูตลอดมาเนี่ยมันศูนย์ไปที่ตรงไหนถ้ามันศูนย์แล้วมันมาเกิดมาตายอะไรอีกได้ล่ะ นั่นน่ะละถ้ามีทำเข้าไปจับกันเป็นอย่างนั้นมันรู้ทันทีเวลามันยุติก็รู้อยู่แบบหมดการหมุนเวียนหมดการเกิดการตายต่อไปอีกไม่มีก็รู้รู้อยู่ภายในใจนั่นเองนั่นนะท่านว่าใจบริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นใจที่บริสุทธิ์จริงๆแล้วจะไม่มีคําว่าสีว่าแสงว่าสว่างแบบโลกโลก หรือว่าบะอับเฉาเหมือนกับน้ําทีส่สะอาดจริงๆแล้วไม่มีสีนสีนั้นสีนี้ไม่มีในน้ํานอกจากเราเอาสีไปผสมมันเท่านั้นหรือพาดพินกับสีใดมันก็เป็นสีนั้นขึ้นมาน้ําจริงๆแล้วไม่มีสีไม่ปรากฏสีกิตที่บริสุทธิ์จริงๆแล้วก็เป็นเช่นนั้นเพราะนั้ที่ว่าสว่างกระจ่างแจ้งนิรันด์ที่เคยพูดมาองอาจก้หาหารอะไรเหล่านั้น นั่นจึงเป็นเรื่องของความหลอกลวงของยีเดียอย่างละเอียดที่สุดอันดับอุปกิเลสสิบหกท่านกล่าวไว้นั่นแหละจิตเมื่อไปถึงขั้นนั้นแล้วก็ต้องมาถูกหล อ, อกอยู่ตรงนั้นอีกกว่าสติปัญญาจะรู้รอบขอบคิดมันมันก็ต้องได้ครอบหัวใจดวงนั้นอยู่จนได้นั้นนหละหลงมันอยู่อย่างนั้นจะว่ายอย่างไง เมื่อพานันไปแล้วจริงๆได้เห็นโทษของมันว่านี่ก็คือตัวหลอกอันสำคัญอันละเอียดสุดไม่มีอะไรเกินอันนี้เนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าสติปัญญาไม่ทันก็ต้องถูกมันกล่อมอยู่แล้วใ้เคริ่องหลับอยู่ไม่รู้ตัวอีกนั่นทั้งทิมันละเอียดไหมกี่เลยแต่เราพูดถึงหนึ่งการประกอบความภาคเพียน ในเวลาไม่รู้เรื่องนูลาก่อไก่ก่อการเหมือนก็เรียนก่อไก่ก่อการนีกน่ก็แสนทุกแสนทรมานอโง่เกินโ ง, ง่หลงเกินหลงเกินจะทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะหน้าให้อภัยแต่ก็เพราะอัดเพราะทำนั่นแหละซักเข้าไปฟอกเข้าไปน้ําอัดน้ําทําเป็นน้ําที่สะอาดซักไม่หยุดไม่ถอยฟอกไม่สุดไม่ถอยก็ค่อยสว่าง ค่อยสะอาดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกลายเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ได้เพราะอำนาจแห่งธรรมนี่คือการบําเพ็ญหรือความอุตส่าหพยายามทางพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาอย่างไรทรงนำนั้นมาสอนพวกเราให้ดำเนินตามนั้นเช่นวิริยะธรรมนั่นฟังนทีสติธรรม สมาธิธรรมปัญญาธรรมเนี่ยเหล่านี้พระองค์ทรงดำเนินมาแล้วทั้งนั้นได้ผลเป็นที่พอพระทัยแล้วจึงวางแนวทางนี้ไว้ให้เราก้าวเดินตามเนี่ยวันนี้รู้สึกเหนื่อยๆเอาละเทเพเตรียงเท่านี้แล้วเหนื่อยฝืนวันนี้รู้สึกว่าฝืนเทศนะ เ, เท